ใจนี่เป็นใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าใจนั้นเปิดช่องให้กิเลสคลองใจกิเลสก็กลายเป็นใหญ่แทนและถึงตอนนั้นใจก็ต้องคล้อยตามกิเลส ธรรมชาติของใจโดยเฉพาะใจที่ไม่มีการอบรมก็จะคล้อยตามกิเลสแล้วก็ยิ่งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นยั่วยุปลุกเร้านะก็จะทำให้ คนเรานะก็จะหลงตามกิเลสไปไม่มีที่สิ้นสุดแลกิเลสมันก็ฉลาดมันก็สามารถที่จะปรุงแต่งเหตุผลให้แม้แต่คนที่มีการศึกษาหรือคนที่มีความรู้เนี่ยคล้อยตามกิเลสได้เห็นคนกําลังเดือดร้อนกําลังลําบาก อยู่ต่อหน้าต่อตาก็อาจจะสรรหาเหตุผลมาอ้างว่ า, วาเป็นกรรมของสัตว์บ้างหรือว่าเราช่วยเขาแล้วเราได้อะไรงั้นก็คิดอย่างนี้มีเขาอ้างอย่างนี้นะก็เหมือนหน้าหนีนะ หรือบางทีก็สร้างอุบายเช่นคนที่นั่งรถรถไฟฟ้ารถใต้ดินมีคนแก่มีเด็กหรือคนท้องมายืนอยู่ก็แก้งทำมไม่เห็นแก้งเป็นหลับนะอันนี้เรียกว่ามันตามกิเลสอันเดียวนี้ก็เห็นเยอะนะการตามกิเลสหรือถูกกิเลส จ, จูงไป ไม่ว่าจะเป็นความโลภไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความหลงดนการปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ย ก, จย ก, ก, ก็จะเริ่มต้นด้วยการต้านกิเลสไม่ใช่ตามกิเลสจะเริ่มต้นด้วยการต้านกิเลสเริ่มตั้งแต่ทานการให้ทานเนี่ยมันต้านกิเลสโดยตรงเลยคือทานเนี่ย เป็นไปเพื่อการให้ธรรมชาติคนเราก็โดวยวพราะคนที่ไม่มีการศึกษาก็จะหวง <c oughs> ก็จะแหน <c oughs> ก็จะพยายามสะสมเก็บให้มากไม่อยากแบ่งไม่อยากปันพระพุทธศาสนานี่ก็จะเน้นเรื่องการให้ทานเพื่อที่จะทำให้กิเลสส่วนที่เป็นความตระหนี่เนี่ยมันมันถูกอ่ บรรเทาไปเป็นการทวนกระแสกิเลสเราไม่ได้ให้ทานเพียงเพราะว่าเรามีจิตเมตตาเท่านั้นแต่ว่าแม้จะไม่มีจิตเมตตาเลยแต่ก็รู้อยู่ว่ามันมีกิเลสมีความอยากอยู่แล้วก็พยายามที่จะสละออกไปให้ทานออกไปการให้ทานนี่ยคือการต้านกิเลสายโลภโดยตรงนะ แต่ว่าระยะหลังเดือนนี้เนี่ยเราให้ทานก็นไม่ถูกต้องคือให้ทานแล้วก็ไปเพิ่มพูนกิเลสว่ า, าบริจาคหรือทําบุญสิบบาทก็หวังให้ถูกลอตเตอรี่เป็นล้านนะให้ทานแต่ละอย่างทําบุญแต่ละอย่างก็หวังรวยหวังมั่งมีนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นการต้านกิเลสและมันตามกิเลสนะ การทำบุญอย่างนี้ก็จะได้ผลน้อยนะการให้ทานแบบนี้ก็จะไม่ได้ช่วยทำให้จิตใจโปร่งเบาเพราะว่ามันไปพ่อคูณกิเลสแต่ถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยค่อยๆลดค่อยๆบรรเทานะอนานาจของกิเลสทีละน้อยทีละน้อย นอกจากทานแล้วศีลก็เหมือนกันนะโดยเพราะศีลท่านี้ก็ชัดเจนนะมันเป็นการต้านกิเลสส่วนที่เป็นโลภโทสะโมหะนะโทสะคือความโกรธอยากจะทำร้ายอยากจะเบียดเบียนอยากจะเอาชีวิตเขานะก็มีศีลมาข้อที่หนึ่งมาคอยกั้นเอาไว้ข้อที่สองอยากจะขโมยอยากจะได้อยากจะช่วงชิงหรือข้อที่สามก็เหมือนกัน อยากจะแย่งชิงคนรักของเขาหรือลูกสาวของเขานะก็มีข้อ2ข้อ3ามนี้ต้านเอาไวนะ้ข้อ4ข้อ5ก็เหมือนกันนะสี่น 8, นะิบและหรือสี่สิบก็มีจุดหมายทํานองเดียวกันก็คือเพื่อต้านนะไม่มีความอยากจะหาความสุขทางการนะก็มีเรื่องการ กินข้าวมื้อเดียวการไม่ไปประดับประดาด้วยเครื่องหอมหรือว่าดูฟังสิ่งบันเทิาเริ ง, เรงรมหรือการฟ้อนรําทั้งหมดนี้ก็เป็นการต้านกิเลสนะจากทานแล้วมาศีลจากศีลแล้วก็ภาวนาภาวนาเนี่ยนะมันก็มีสองส่วนเรียกว่าสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาหรือว่า หรือว่าสมถกรามฐานหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถากรรมฐานนี้ก็ยังเป็นการต้านกิเลสอยู่นะแต่เป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อนลงไปนะเช่นเ ม, มเมื่อมีโทสะเมื่อมีโทสะก็เอาเมตตาเนี่ยหรือกรุณาเนี่ยเข้ามาค่มนะ เข้า ม, ามาบันเทาความโกรธนะเวลาเราโกรธเนี่ยเราจะร้อนนะพอเรานึกถึงความปรารถนาดีหรือแผ่ความปรารถนาดีออกไปเนี่ยใจก็จะเย็นนะเหมือนกับว่าเอาน้ำมาดับไฟหรือเวลาเกิดตัณหาหรือเกิดราคะขึ้นมาวิธีการในเชิงสมมถาก็คือว่าพิจารณาอสุภกรรมฐานนะก็จะทำให้ ไอ้ใจที่เกิดความอยากหรือราคาเนี่ยมันฟอลงพอมันเจอธรรมะคู่ปรปักนะราคาก็ต้องเจอกับอสุภะนะก็จะอ่อลงไปนะอันนี้ก็เป็นการต้านกิเลสแบบหนึ่งนะเป็นการทวนกิเลสเป็นการเราจะเรียกเป็นการาย้อนสอนกิเลสก็ได้เวลาหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินในความสุข นึกถึงความตายเรียกมรณสตนะิก็เกิดความสังเวชเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาคราวนี้ไอ้ความลหลงไหลเพลิดเพลินในความสุขมันก็ฝ่อลงไปนะหรือว่าถ้าจิตมันฟุง้งซ่านเหรอจิตฟุง้งซ่านก็พยายามบังคับจิตกำหนดจิตให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งลมหายใจบ้างท้องพองยุบบ้าง มันก็สงบไปทั้งหมดนี้ก็เรียกรวมๆก็เป็นการต้านกิเลสเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นการต้านในส่วนที่กลับมาจัดการกับกิเลสที่จิตใจไม่ใช่ที่กายไม่ใช่ที่วาจาเหมือนกับฐานและศีลแต่ถามว่าเท่านี้พอไหมแทนที่จะตามกิเลสล้วก็ต้านกิเลสซะพอไหมมันไม่พอนะ มาถึงจุดที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานจะไม่ใช่การต้านกิเลสแล้วแต่จะเปลี่ยนมาเป็นการรู้กิเลสรู้ทันกิเลสตรงนี้เนี่ยคนที่ถนัดากับการต้านกิเลสนะก็จะจะรู้สึกว่ามันทำยากนะเพราะว่าเราถูกฝึกมาให้ต้านกิเลสโดยเฉพาะคนที่ายธรรมะนะ เราก็ถูกสอนมาว่ามันต้องต้งตานกิเลสทานก็ดีศีลก็ดีหรือว่าการกดข่มจิตใจก็ดีที่เป็นอกุศลนะมันก็เพื่อต้านกิเลสทั้งนั้นแต่พอมาจะมาทําวิปัสสนาหรือเจริญสติปัฏฐานเนี่ยซึ่งเป็นบาตรฐานของวิปัสสนาเนี่ยก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้านกิเลสนะ เวลามีความโกรธความหงุโกรธเกิดขึ้นหรือเอาแค่ความฟุ้งซ่านก็จะเข้าไปจัดการกับมันนะเวลามีนิวรณเกิดขึ้นนิวรณ์ความง่วงเอาจริงนอนทีนะ่นิมิธะความฟุ้งซ่านอุทาจากักขุกขิจความลังเลสงสัยนะหรือว่าการมาฉันทะหรือปฏิฆะพวกนี้เนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นกิเลสที่จะต้องกดต้องขม่มต้องจัดการ แต่ว่ามันมันไม่พอแล้วจะตามกิเลส ก, ก็ไม่ใช่จะต้านกิเลสแต่พึ่ตะพือไปก็ไม่ถูกโดยเฉพาะในขั้นของการบําเพ็ญทางจิตที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานถึงขั้นนี้ต้องยกระดับมาสู่การรู้กิเลสรู้ทันกิเลสแทนอันนี้เป็นทางสายกลางนะมาถึงจุดหนึ่ง ตามกิเลสก็สุดโตรงต้านกิเลสก็เป็นสุดโตรงได้นะถ้ามาถึงขั้นเป็นวิปัสสนาแล้วเนี่ยเร า, ยาต้องยกจิตมาสู่เส้นทางที่เป็นทางสายกลางคือรู้นะรู้รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับใจรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจนะที่จริงก็ลงไปถึงกายด้วยแม้แต่เวทนาจะเป็นสุขก็ตามจะเป็นทุกข์ก็ตามนะ มาถึงขั้นที่เจริญสติหรือวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังแล้วไอ้ในขั้นสมถะกรรมฐานนี่เรายังเราเอาเมตตามาขม่มโทสะเราเอาอาสุภะมาขม่มราคะนะแต่ว่าพอถึงจุดที่เป็นการเจริญสติปัฏฐานที่จะเป็นบาตฐานไปสู่วิปัสสนาเนี่ยเราต้องต้องเรียนรู้ที่จะ มาดูใจของเรานะดูใจอย่างเป็นกลางอะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่ารู้นะไม่ต้องไปทำอะไรกับมันรู้เฉยๆโกรธก็รู้ดีใจก็รู้นะชอบก็รู้ชังก็รู้ยินดีก็รู้ยินล้ลยก็รู้นะตรงนี้เนี่ย มันก็ดูเหมือนง่ายนะเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรนอกจากรู้แต่ว่าความเคยชินเดิมๆ เ, เรายังอดไม่ได้ที่จะเผลอใช้วิธีการเดิมๆก็คือไปกดไปขม่มไปต้านกิเลสนะอันนี้เราต้องต้องลองปรับใจสมัยนะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็มีวิธีการในแต่ละขั้นแต่ละตอน ในทางพุทธศาสนาเราจะมีคําว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะพวกเราก็เรื่องทานเรื่องศีลเราก็ทํามามากแล้วก็ควรจะทําต่อไปนะแต่ว่าพอมาถึงเรื่องของการบําเพ็ญทางจิตโดยเพราะการเจริญสติและปัญญาเนี่ยนะเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะรู้ทันมันบ้างแล้วไม่จําเป็นต้องไปกดข่มไม่จำเป็น ต, ต้องต้านกิเลสนะ ทางสายนี้ทางสายที่สามเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะเพราะว่าการที่เราเพราะการที่เรารู้ทันหรือว่าเพียงแต่ดูหรือเห็นมันเฉยๆเนี่ยมันก็มีอนุภาพมากการจะสู้กับกิเลสเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ทำด้วยการต้านมันหรือว่าเล่นงานมัน เพียงแต่รู้เพียงแต่เห็นมันเฉยเฉยเนี่ยมันก็ล่าถอยไปได้นะโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะเวลาโกรธ เ, เราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับไปที่จริงจะว่าดับก็ไม่ถูกนะเพราะถึงเราไม่ดูมันไม่มีสติดูมันมันก็ดับอยู่แล้วแต่ปัญหาคือมันดับแล้วมันเกิดใหม่เพราะว่าธรรมชาติของของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย จริงๆทั้งรูปธรรมนืนา ม, มาธรรมนี่มันเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับพอเกิดปุ๊บมันดับปับ๊บแต่พอมีสติรู้ปุ๊บเนี่ยมาขวางกลางเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วมันดับมันดับอยู่แล้วนะแต่พอมีสติรู้มันก็ไม่เกิดนะสติทำไมมันถึงไม่เกิดเพราะสติเป็นกุศล น, นะพอมีกุศลเกิดขึ้นนะอกุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่ว่าเราจะไม่ไม่ไม่ถนัดไม่คุ้นกับการทำอย่างนี้เราก็จะพยายามเข้าไปต้านมันพยายามผลักสายมันแต่เราก็ลืมไปว่าถ้าเราไปผลักสายมันเราปฏิเสธมันเราก็ง่ายที่จะถลําเข้าไปคือพวกนี้มันมีมันเหมือนกับมันมีมันมีกาวติดอยู่เราเอามือผลักมันนะนะบอกว่ามือเราติดมันเลย นะอารมณ์พวกนี้มันมีกาวนะมันเหมือนกับมีกาวมีแรงดึงดูดอยู่พอเราเอามือผลักมันเนี่ยติดเลยแล้วมันก็ลากไปนะเหมือนกับที่ยกตัวอย่างว่าเราจะเข็นรถเราจะเราจะผลักท่อนซุงเนี่ยเราจะอยากจะผลักให้มันไปไกลแต่ว่ายิ่งผลักเราก็ยิ่งเอาตัวแนบชิดสนิทนะกับกับรถกับท่อนซุงมากขึ้นยิ่งผลักให้ห่างแต่กลับยิ่งใกล้ชิดกันเน้นะ เราลองสังเกตดูพอเราพยายามกดข่มพยายามผลักใสความคิดที่ฟุง้งซ่านเนี่ยยิ่งผักมันยิ่งโผล่มันยิ่งผุดขึ้นมานะมันจะเรียกว่ามันเพราะว่าที่มันเป็นงั้นก็เพราะว่าใจที่อยากจะผลักออกไปเนี่ยมันเป็นใจที่เจือด้วยกิเลสคือความโลภความอยากมันเป็นอกุศลใจที่ใจหรือเจตนาที่เจือด้วยอกุศลเนี่ยเมื่อไปเจอกักบอกุศลมันก็ เข้าคู่กันพอดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเห็นนะเฉยๆเห็นกลางๆเห็นด้วยใจเป็นกลางเนี่ยไม่มีความอยากเจือปนเนี่ยไม่มีความรังเกียจหรืออยากจะผลักสายเจือปนเนี่ยมันก็จะเป็นกุศลล้วนเมื่อเป็นกุศลล้วนมันก็ไม่เปิดโอกาสให้อกุศลเกิดขึ้นได้นะ แต่ถ้าเราอยากจะผลักมันออกไปอยากจะกดคมมันให้หายไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นกุศลล้วนๆมันจะเจืออกุศลแล้วมันก็เลยเป็นเชื้อให้กับอารมณ์อกุศลที่เราอยากจะผลักจะเป็นความเครียดความโกรธนะความเศร้าความเบื่อก็ตามก็ถ้ากราไปเติมเชื้อให้มันเหมือนกับเราอยากจะดับมันนะแต่เราเอาน้ามันเทลงไปแทนที่จะดับมันก็เพิ่มขึ้นมา ันวิธีการในการที่จะจัดการหรือเกี่ยวข้องกับกิเลสเนี่ยเราต้องเรียนรู้วิธีการอีกขั้นหนึ่งก็คือการรู้มันการรู้เฉยๆเนี่ยมันมีพลังเวลาพระพุทธเจ้าหรือว่าพระสาวกเนี่ยจะเวลาถูกมารกิเลสมารหรือว่าเทวปุตตมารมามาลังควานเนี่ยวิธีหนึ่งที่ท่านใช้บ่อย ก็คือการรู้ทันหรือการบอกให้มานั่นรู้ว่าท่านรู้ทันแล้วมานี่มันจะมาหลายหลายวิธีนะในพัตติบิดกหมัวที่ว่ามารสังยุทธ์นี้จะรวบรวมอุบายของมานตั้งแต่มาหลอกให้กลัวเช่นมาปลอมเป็นพยานนาคเป็นเสือเป็นแผ่นดินไหวเพื่อให้นักปฏิบัติกลัวเลิกปฏิบัติหรือว่าจะมาล่อหลอกให้เขว ออกอุบายให้เควเช่นขณะที่พืชเจ้ายัางบำเพ็ญบำเพ็ญธรรมอยู่เลิกละทุกเลิกละทุกขละกิริยาแล้วมารก็ยังมาชวนให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือว่านักบวชสิทธัตถะเนี่ยเข้าหาทุกขละกิริยาบอกว่าทางนี้ถูกแน่นะีแต่ว่านักบวชสิท ธ, ธัตถะนีก็ปฏิเสธเพราะรู้ว่า นี่เป็นอุบายของมาร น, นะบางทีกําลังบําเพ็ญเพียรอยู่มารบอกว่าเนี่ยท่านมีบุญมากแล้วท่านสะสมบุญมากแล้วท่านจะปฏิบัติไปทําไมเนี่ยมารม า, ม า, ม, ามาหลอกอย่างนี้น ะ, นะพระตัวเจ้าซึ่งตอนนั้นยังไม่ไมตัดสรุใก็บอกว่าเราไม่ได้ปราดเราไม่ได้บําเพ็ญเพื่อปรารถนาบุญมารเรารู้จักเจ้าให้ท่านให้เจ้านี่ไปหาไปหาคนอื่นที่ยังปรารถนาบุญเถอด นะคือพระเจ้านี่ถึงจุดหนึ่งถ้าไม่เอาละนะบุญกุศลน่ะท่านจะมุ่งเรียกว่าตัดสรู้คือเหนือบุญเหนือเหนือบาปแล้วแม้แต่ตัดสรู้แล้วนี่มารก็ยังมาชวนให้พระเจ้าเนี่ยกลับไปคลองลาดนะมาในรูปลกักษ์ต่างๆกันเช่นเป็นพราม บ, บ้างเป็นดารดาบทบ้างนะภาษาวกก็เหมือนกันก็โดนมานี่มามาม า, ม า, ม, ามาหลอก มาชักชวนว่าไปสวรรค์ดีกว่าอย่าไปนิพพานเลยปฏิบัติทําไมไปสวรรค์ดีกว่าสวรรค์มีสิ่งงดงามเยอะนะแต่ว่าท่านก็ปฏิเสธไปอันนี้พิกษุณ์นีท่านก็ปฏิเสธไปบางทีก็มาใช้การไม่ได้ผลก็มาก็มักสิงเข้าท้องมาลังควานอย่างเช่นพระโมคคัลลานะก็โดนมาลังควานและวิธีการจัดการกับมาที่มาลังควานในท้องทําไง พระโมคคัลลานะก็บอกว่ามาเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าอย่ารู้นะว่าเราไม่รู้จักเจ้าแค่นี้แหละมานพอรู้ว่าพระโมคคัลลานะรู้ทันนี่มันเสียใจเลยนะเสียใจพระโมคคัลลันพระโมคคัลลานะรู้จักเราแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนี่คือเพียงแค่รู้ทันหรือเพียงแค่รู้ว่าคือมานนะมานี่ก็ลาถอยเสียใจว่าพระตถาคตรู้จักเราแล้วะ แค่นี้แหละนะงั้นการรู้การเห็นเฉยๆเนี่ยมันมีพลังนะมันมีพลังมากมันมีพลังพอที่ทํทำให้มาเนี่ยล่าถอยไปได้โดยที่ไม่ต้องใช้อิทธิฤทธิ์นะรู้ด้วยอะไรก็รู้ด้วยสตินะความระลึกได้นะงนั้นเวลาเราเกิดอารมณ์อกุศลอะไรขึ้นมาเนี่ยที่ที่แล้วมาเราก็จะต้าน จะต่อสู้จะพันตัว อ, อันนั้นมันเป็นวิธีการที่ก็ดีอยู่แต่ว่ามันไม่พอสําหรับวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะต้องมาถึงขั้นที่รู้ทันนะรู้ทันและสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าเรามีอยู่แล้วความสามารถในการที่จะรู้รู้ใจนะ รู้ความเป็นไปในใจเรามีอยู่แล้วก็คือสตินะอย่าว่าแต่พวกเราซึ้อเป็นนักปฏิบัติเลยแม้แต่เด็กเนี่ยนะเขาก็มีอย่างนี้อยู่นะมีแม่คนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังนะลูกอายุแค่สามสี่ขวบเนี่ยวันหนึ่งก็เกิดไม่พอใจป้าขึ้นมานะโกรธเกลียดป้านะกะฟัดกะเฟียดแม่เห็น ปกติคนเป็นแม่เนี่ยถ้ารู้ว่าลูกเนี่ยโกรธป้าเกลียดป้าเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าอย่ากเกลียดนะลูกเกลียดไม่ดีนะแต่ว่าแม่คนนี้ไม่ทำงั้นแม่ถามว่าลูกเกลียดป้าเหรอเด็กก็บอกว่าเกลียดเกลียดเกลียดป้ามากแม่ก็ถามต่อไปว่าลูกเกลียดแค่ไหนเกลียดแค่นี้เหรอทำมือเงี้ยหรือเกลียดเท่าฟ้าเลยนะลูกบอกเกลียดเท่าฟ้าเลย ถ้าเป็นแม่คนทั่วไปก็ตกใจโอ้ลูกเกลียดป้าเท่ฟ้าเด็กอะไรนะเกลียดขนาดนี้แต่แม่ก็ไม่ไม่ไม่ตหนกแม่ก็อ๋อเหรอลูกเกลียดป้าเท่าฟ้าเหรอแล้วสักพักเนี่ยพอเด็กพอได้พอเด็กพอรู้ว่าตัวเองเกลียดป้าเท่าฟ้าเนี่ยเด็กความโกรธความเกลียดป้าก็ค่อยสงบลงสักพักเด็กก็ไปคุยเล่นกับป้าแล้วสิ่งที่แม่ทําคืออะไรแม่ทําเนี่ยแม่แม่ไม่ได้สอนลูกให้ต้านกิเลส ให้ปฏิเสธความรู้สึกของตัวให้กดข่มความเกลียดแต่แม่ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนให้ให้เด็กเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความโกรธอยู่นะพอเด็กเห็นปุ๊บอสติเกิดขึ้นความโกรธมันก็คอ่อยเอาความเกลียดค่อยค่อยหายไปมีแม่คนหนึ่งเนี่ย ก็เล่าคล้ายๆกันคือลูกเนี่ยเสียใจนะลูกชื่อน้องเพลงอายแค่สามขวบครึ่งเสียใจเสียใจเสียใจอะไรเสียใจกบตายร้องไห้ทีแรกแม่เนี่ยก็ใช้วิธีว่าว่าปลอบใจปลอบลวงต่างพูดยังไงเนี่ย ไม่ได้ผลตอนหลังแม่เปลี่ยนใหม่แม่ก็มาทำหน้าที่สะท้อนความรู้สึกของลูกก็พูดกับลูกว่าน้องเพลงเสียใจเนอะน้น้องเพลงเสียใจที่ที่ที่กบตายนะเนอะพูดไปน้องเพลงก็พยักหน้าเสร็จแล้วแม่ก็นั่งอยู่ข้างๆกับลูกเงียบๆไม่ได้บอกลูกเลยว่าอย่าเสียใจนะลูกนะ มันเป็นอนิจจังทุกขั้งนัตตาพูดงั้นไม่ไ ม, มีไม่มีรู้เรื่องกับเด็กนะก็เพียงแต่ให้ให้เด็กเขารับรู้ความรู้สึกของเขาโดยที่แม่ก็เป็นตัวสะท้อนพอแม่พูดอย่างนี้เขาเ อ, อเด็กก็ค่อยเห็นความรู้สึกของตัวว่กากาลังเสียใจอ๋อเสียใจเรื่องกบกบตายน ะ, ะพอพอรู้เนี่ยสติไอ้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นให้ความเสียใจมันก็บรรเทาแล้วค่อยๆหายไป อันเนี้ยคือแม่เนี่ยเขากำลังสอนลูกให้รู้ทันกิเลสให้รู้ทันอารมณ์อกุศลโดยไม่รู้ตัวหมายถึงโดยที่แม่ไม่รู้ตัวซึ่งนี่ก็คือเป็นวิธีการแบบพุทธนะส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีการให้เด็กเนี่ยต้านกิเลสนะซึ่งก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีเดียวที่ใช้ได้เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสติหรือความรู้สึกตัวเท่าไหร่ แตวว่วิธีการอยางนี้เนี่ยมันใช้ได้ใช้ได้แม้กระทั่งกับผู้ใหญ่หรือกับเด็กโตเพื่อนคนหนึ่งไลฟ์ฟังวันหนึ่งลูกสาวอายุสิบสองก็มาของเงินแม่ถามว่าจะเสื้ออะไรบอกจะซื้อไมโครโฟนไมโครโฟนที่พอกดปุ่มแล้วเนี่ยมันก็จะร้องเพลงเหมือนกับว่าเราร้องเพลงได้แม่ก็ถามว่าเท่าไหร่สี่ร้อยบาทแม่ตกใจโอ้มันเยอะนะสี่ร้อยบาทเนี่ย แต่ลูกก็ลบเล้าให้ได้นะแม่ก็ไม่ไม่ไม่ค้านลูกนะแต่แม่ก็ต่อรองกับลูกว่าแม่จะซื้อให้ลูกนะโดยเงื่อนไขสองอย่างหนึ่งแม่จะหักเงินลูกวันละค่าขนมวันละครึ่งหนึ่งแล้วก็จะหักจนกระทั่งครบสี่ร้อยบาทแล้วถึงค่อยให้เงินเนี่ยไปซื้อให้ให้ลูกไปซื้อข้อสองสำคัญ สำคัญกว่าก็คือทุกวันนะลูกนะต้องไปให้ไปดูไมโครโฟนอันนั้นอันนั้นที่ลูกอยากได้นะให้ไปดูแล้วก็ดูใจของลูกด้วยว่าความอยากอยากได้ไมโครโฟนมันเป็นยังไงบ้างนะลูกไปดูได้สี่วันลูกก็มาบอกแม่ว่าไม่เอาละไม่ซื้อแล้วอา้าวทาไมอ่ะลูกอยากได้ไม่ใช่เหรอเด็กบอกว่าเบื่อแล้ว เอาค่าขนมเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเสียดายเงินนั่นเดกเห็นเลยนะเห็นความอยากพอมาดูความอยากก็จะเห็นเลยความอยา ก, กค่อยมันไม่เที่ยงอะความอยากวันที่หนึ่งก็เยอะหน่อยคนที่สองความอยากก็ลดลงคนที่สามวันที่สี่มันความอยากมันแทบจะเป็นศูนย์ละปกติเนี่ยนะวิธีการที่แม่ใช้คือว่าเออ ตัดลำคานก็ให้ให้เงินลูกไปเลยอันนี้เรีวตามกิเลสหรือแม่ก็ต้านกิเลสว่าลูกอย่าซื้อให้มันไม่ดีมันแพงนะแต่แม่คนนี้เขามีอุบายก็เออซื้อก็ซื้ อ, อได้นะแต่ว่าให้ลูกไปดูไปดูของแล้วก็ดูใจด้วยนะมันก็เป็นธรรมชาติของของจิตอยู่แล้วพอมีสติเข้ามาดูใจเนี่ยมันก็จะเห็นเลยไอ้ความอยากมันไม่เที่ยงนะแล้ว คือถ้าไม่ดูเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วแต่พอเขาไปดูอี่เนี่ยมันก็จะทำให้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่าความอยากมันก็ค่อยๆหายไปแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยความอยากพอมันเจอสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ค่อยๆฝ่ อ, อลงไปเราเรียกว่ามันมันวางใจมันวางได้นะนั่นเนี่ยเป็นวิธีที่ที่ มันใช้ได้นะแม้กระทั่งกับเด็กเนี่ยนะก็สามารถจะฝึกให้เด็กเขามีสติได้เดีย๋ยวนี้มันมีวิธีการหลายอย่างนะซึ่งผู้ใหญ่ก็ใช้ได้อย่างเช่นโกรธเนี่ยนะโกรธลูกโกรธนะพ่อแม่ทำยังไงพ่อแม่ก็จะถามว่าลูกโกรธใช่ไหมลูกก็บอกใช่โกรธแค่ไหนนะ แล้วก็เอาสีมาระบายโกรธแค่นี้ใช่ไหยระบายเอาสีระบายลงไปในกระดาษโกรธแค่นี้ใช่ไหม mm hmm. ลูกบอกไม่ใช่มันโกรธมากกว่า น, นี้ก็แมลูกก็เอาสีแล้เลงเข้าไปใหญ่เลยในแง่หนึ่งมันก็เป็นการระบายความโกรธแต่ในแง่หนึ่งมันทําให้เด็กเขาเห็นความโกรธของตัวเอง mm hmm. โอ้โหมันมันเป็นยังไงไอการระบายสีมันได้เห็นความโกรธเป็นรูปธรรมเลยเด็กเขาก็รู้ตัวปรากฏว่าพอทํานี้เด็กก็จะสงบลงได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ไม่สุดวิสัยที่เราจะทำแล้วเราก็ถัดจะทำได้ดีแต่ปัญหาของเราคือว่าเรามีความคิดพิสดารที่ชอบหาเหตุผลนะเช่นเราก็จะหาเหตุผลเพื่อมายืนยันว่าสิ่งที่เราโกรธนี่มันถูกต้องคือเด็กนี่เขามีความคิดที่ไม่ซับซ้อนใช่ไหมพอเขารุ้ทานความกบธพวกความโกรธมันมันเพลาลงไปเลยแต่ผู้ใหญ่เนี่ย จะไม่ยอมให้ความโกรธ ม, มันทุ่เราก็จะสรรหาเหตุผลว่าสมควรแล้วที่โกรธแล้วต้องโกรธให้มากมา ก, มากเพราะมันเลวมันชั่วนะเราจะสรรหาเหตุผลมาเพื่อมาสนับสนุนความโกรธหรือมาหาเหตุผลเพื่อมาสับส น, นความอยากของเราเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยแทนที่มันพอรู้พอมีสติรู้ทันแล้วมันจะค่อยเบาลงไปเพราะว่ามันพุ่งโลงขึ้นมาใหมนะ่เพราะเราไปปรุงแต่งนะและ ยิ่งคนที่มีการศึกษาเนี่ยก็จะมีความฉลาดในการสรรหาเหตุผลมารองรับหรือสนับสนุนกิเลสของตัวเองนะเช่นอาจจะบอกว่าโอ้เราเรามีเงินเยอะแค่นี้มันนิดเดียวอย่างเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมีคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กซื้อเพิ่งซื้อมาได้ปีสองปีนะ พอไปเจอโน้ตบุ๊กตัวใหม่นะอยากได้ขึ้นมาก็จะให้เหตุผลละโอ้โน้ตบุ๊กนี่มันดีนะมันเบานะมันเบาแล้วก็ความเร็วมันสูงคือทั้งๆ ท, ท, ที่รู้นะ ว, ว่าตัวเองอยากเนี่ยแต่ว่าพอมีเหตุผลนี้เข้ามาเนี่ยไอ้สติมันกระเจิงเลยนะเพราะความหยำก็จะมีกำลังมากขึ้นแล้วเราต้องต้องรู้ทันไอ้เหตุผลที่ถูกถูกปรุงแต่งเข้ามาเป็นข้ออ้างด้วย รู้ทันลงไปว่าไอ้ที่เหตุผลทั้งหมดนี่มันกิเลสสรรหาเหตุผลทั้งนั้นนะกิเลสมก็มีเหตุผลของมันเหมือนกันนะอย่าไปคิดว่าเหตุผลนั้งเกิดจากปัญญาที่บริสุทธิ์อย่างเดียวยิ่งฉลาดยิ่งจบปริญญาสูงก็ยิ่งสรรหากิเลสก็ยิ่งฉลาดในการสรรหาเหตุผลมาสนับสนุน รองรับความต้องการของมันแล้วถ้าเราไม่รู้ทันกิเลสนะเราก็จะถูกมันหลอกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการการที่รู้ทันนะการที่เราจะรู้ทันจิตใจของตัวเองเนี่ยนอกจากเราจะรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีเราต้องไวพอที่จะสาลงไปเห็นให้ตัวการที่อยู่ข้างหลังนะหรืออยู่เบื้องหลังนะ นี้การเจริญสติเนี่ยมันสำคัญมันสำคัญยังไงคือมันสำคัญตรงที่ว่าประการแรกเลยคือมันช่วยทำให้กิเลสเนี่ยมันเข้ามาครองจิตคลองใจไม่ได้นะไม่ใช่เ พ, พราะผลักไสไม่ใช่เพราะรังเกียจนะแต่พอแต่พะรู้รู้แล้วไม่หลงเชื่อนะเมื่อมันเมื่อมันสงบลงไปใจก็มีความสงบแทนที่ เราไม่จำเป็นต้องกดข่มนะแต่เราเพียงแต่เห็นมันใจก็จะสงบเป็นความสงบที่ไม่จําเป็นต้องหลบลี้หนีหน้าผู้คนหรือหลบลี้หนีจากสิ่งเย้าวยวนคนเราเนี่ยเวลาอยากจะสงบใจนี่ก็ต้องหนีมาไปอยู่ที่นี่ไม่ต้องดูโทรทัศน์ไม่ต้องฟังวิทยุไม่ดูหนังสือพิมพ์นะ ไม่มีข่าวที่จะมากระตุ้นโทสะไม่มีละครที่จะมากระตุ้นโลภะหรือลาคะหรือโฆษณาที่มาตุ้นกระตุ้นความอยากนะเราก็สงบได้แต่สงบอย่างนี้มันสงบเพราะสิ่งแวดล้อมอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นหลักถึงไม่ปฏิบัติก็สงบได้นะแต่ว่าถ้าเราจะถ้าเราจะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นยั่วยุเนี่ยนะสติสาคัญมาก สติมันทำให้แม้ว่าจะมีสิ่งมากระทบทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยแต่มันไม่กระเทือนถึงใจเพราะพ อ, พอมีความอยากเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีสติรู้มันวางก็ทำให้เกิดความสงบได้แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่วุ่นวายหรือว่าสิ่งที่ยัออย่วยุอย่างไงก็ตามหรือว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนซึ่งอาจจะมีนิสัยไม่ตรงกับเรานะแต่ว่า ไม่ว่าอะไรจะมาไม่ว่าอะไรมากระทบนะหรือรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะเราก็มีสติรู้ทันทำให้เกิดความสงบได้แต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้ววิปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ให้เกิดความสงบนะแต่ว่ายังต้องการช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นความจริงแล้วจะเห็นความจริงได้ก็เห็นความจริงจากการที่เห็นอารมณ์ต่างเกิดขึ้น เรามีสติเราก็จะเห็นมันเกิดขึ้นการเห็นบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าจะอารมณ์บวกหรืออารมณ์ลบอิทธารมหรืออนิจธารมกุศลหรืออกุศลชอบหรือชังยินดียินลาเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยถือเป็นของดีทั้งนั้นคือเป็นวัตถุ ด, ดิบเพื่อที่จะทำให้ให้เราเนี่ยได้เห็นธรรมชาติของจิต เห็นธรรมชาติของนา ม, มาธรรมเป็นธรรมชาติของรวมทั้งรูปธรรมด้วยเห็นอะไรเห็นความเกิดความดับของมันนะเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่จีรังไม่ว่ากุศลลอกุศลมีมีในแง่นี้เนี่ยมีคุณค่าเสมอกันก็คือว่าต่างไม่เที่ยงทั้งคู่แล้วก็เป็นทุกเป็นทุกในที่นี้หมายความว่า ไม่สามารถทนอยู as, ่ในภาวะใดภาวะหนึ่งได้นานความสุขเวลาเราดีใจนะลองสังเกตดูเวลาเราดีใจเนี่ยหรือว่าเวลาเรามีความสุขเนี่ยความสุขมันก็อยู่ไม่นานความสุขมันไม่สามารถจะทนอยู่ในในสภาพเดิมของมันได้มันก็ต้องแปลเปลี่ยนไปนะความทุกข์ก็เหมือนกันนะความโกรธก็เหมือนกันความเบื่อก็เหมือนกันมันไม่มันไม่สามารถจะคงทนอยู่ได้นาน อันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ทุกขังก็ ค, คือว่าทนอยู่ในภาวะในภาวะหนึ่งไม่ได้นานนะมันก็เป็นความไม่เที่ยงอีกแบบหนึง่งและยิ่งเห็นต่อไปว่าโอ้มันเป็นอนัตตาหรือมันไม่ใช่เรานะการปฏิบัติการจริตนิสิถ้าเราดูเป็นผู้ดูเฉยเฉยเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าโอ้ไอ้ที่เดินนี่มันกายเดินไม่ใช่ไม่ใช่เราเดินไอ้ที่คิดนี่มันใจคิดไม่ใช่เราคิดไอ้ที่โกรธนี่มันใจโกรธไม่ใช่เราโกรธถ้าไม่มีสติ นะมันก็จะมีเราเป็นผู้เดินเป็นผู้โกรธแต่พอมีสติเมื่อจะเห็นเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะความไ อ, ไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันก็จะก็จะเห็นชัดแล้วว่ามันมันไม่มีที่ตั้งมันเป็นการที่เราปรุงแต่งขึ้นมาและสิ่งเหน่ น, นี้ก็เกิดต้องเกิดขึ้นจากการที่เราดูใจอยู่บ่อยๆเราเลือกง่ายๆมองตน มองตนที่แรกก็เห็นก็เห็นนิสัยของตัวเองเห็นความถนัดความชอบของตัวเองแต่มองไปลึกๆนี่มันไม่เห็นตนแล้วนะมองตนจนไม่เห็นตนเลยมันมีแต่รูปและนามมันมีแต่กายและใจที่เคลื่อนขยับนะกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกมองตนดีๆมองไปลึกๆนี่มันมันไม่เห็นตนแล้วนะแต่ว่าใหม่ๆก็ไม่เห็นตนแค่ชั่วขณะเ็ ตัวตนพอเผลอพอไม่มีสติหรือพอลืมตัวความหลงก็มาแทนที่พอความหลงมามันก็ปรุงตัวกูของกูขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็น บ, บ่อยๆเห็น บ, บ่อยๆเนี่ยนะก็จะเห็นความจริงของรูปและนามของกายและใจเมื่อเห็นเนี่ยก็จะเกิดปัญญา พะปัญญาในพุทธศาสนาไม่ได้เกิดจากการคิดเอาแต่เกิดจากการเห็นของจริงเห็นของจริงนะแล้วเราจะเห็นของจริงได้ไงก็ต้องเปิดใจยอมรับเปิดกว้างทุกอย่างอย่างที่พูดเมื่อวานเปิดกว้างด้วยใจเป็นกลางไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่ากุศลอกุศลนะไม่ว่าดีใจเสียใจไม่ว่าชังหรือชอบนะเปิดรับเสมอกันไม่ลังเกียจไม่ผักใส แต่ก่อนนี่มันผักสายแต่ตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะไม่ผักสมองด้วยใจเป็นกลางกลางท่านตินนั่นทันเนี่ยท่านเป็นพระเซนชาวเวียดนามท่านท่านก็ใช้สัมนวนนะคือคนเราเนี่ยคนที่ติดดีเนี่ยมักจะไม่ชอบความโกรธไม่ชอบความเกลียดท่านก็สอนบอกว่าให้หัดอบกอดความโกรธดูมัง่งอบกอดด้วยและไรอบกอดด้วยสติเป็นสัมนวนเพื่อให้เราเนี่ยไม่ไม่ผักสตามความเคยชิน ตามนิสัยติดดีของเราว่าติดนิสัยติดดีก็คือว่าโกรธไม่ดีเกลียดไม่ดีนักปฏิบัติโกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้นะแต่พอเราเจริญวิปัสสนาเนี่ยเรายอมรับตัวเองตามที่เป็นจริงก็เห็นเลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราเกลียดมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นใจที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานะเวลาใครมาเวลามาใครมาตําหนิเอ่ถ้าไม่มีสติก็โกรธนะ แต่ถ้ามีสติก็รู้อ๋อมีความโกรธเกิดขึ้นมีความรู้สึกเสียหน้าเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่เราโกรวมันไม่ใช่เราเสียหน้าแต่ถ้ายังมองไปถึงตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็อย่างน้อยก็มองหเห็นโอน้นี่ยนี่กิเลสมันไอ้ที่ทุกเนี่ยมั น, ม, น, ม, นมันกิเลสมันทุกไม่ใช่เราทุกเวลาทําอะไรเสียหน้าแล้วก็รู้เลยว่าโอ้กิเลสมันเสียหน้ากิเลสมันทุกไม่ใช่เราทุกนะ ถ้าเรามีสติเห็นอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เห็นด้วยใจเป็นกลางเนี่ยจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นแค่รูปและนามเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นก็ยกให้เป็นความทุกข์ของรูปและนามไปอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดเมื่อยขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีสติก็รู้สึกว่าฉันเมื่อยกูเมื่อยนะแต่ถ้ามีสติเราก็จะสติเห็นอยู่เรื่อยๆก็จะคืนความทุกข์ให้เป็นของรูปไปไม่ใช่เราทุกข์ไม่ใช่เราปวด มันเป็นมันเป็นรูปที่มันปวดหรือกายที่ปวดคือถ้าพูดจริงๆแล้วกายก็ไม่ปวดนะกายไม่ไม่รู้สึกหรอกแต่มันเป็นเวทนาอีกตัวหนึ่งทางพุทธศาสนาเลยแยกมาว่าเป็นกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมนะเพื่อเห็นว่าเวทนาที่เกิดตัวหนึ่งนะมันไม่ใช่เป็นกายที่ที่ทุกนะแต่เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นมาแต่ใหม่ๆเราก็ยังไม่ต้องไปไปไปแยกแยะขนาดนั้นเราก็พูดรวมๆไปก็แล้วกัวกเกนเออเห็นกายมันทุกนะ ไม่ใช่เราทุกข์เห็นกายมันทุกข์นะมันโกรธไม่ใช่เราโกรธใจมันโกรธนะอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มันก็จะเป็นบาตรทานไปสู่วิปัสสนาคือเห็นความจริงความจริงที่ไม่มีเราตั้งแต่แรกแล้วนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ความทุกข์น้อยลงเพราะว่าต่อไปนี้ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์แล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราคืนให้ รูปและนามไปคือในธรรมชาติไปแตะกรอนี่โง่แต่ก่อนนี่หลงก็ไปเหมาเอาความทุกข์ของรูปและของนามามาเป็นของเรานะแล้วบางทีก็ไปเหมาเอความทุกข์ของกิเลสเป็นของเราด้วยกิเลสมันโมโหกิเลสมันโกรธกิเลสมันเสียหน้าก็ไปเหมาเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นความทุกข์ของเราว่ากูโกรธนี่เราโง่แท้ๆนะอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปเหมาเอาความทุกข์ของรูปและนามหรือว่าความทุกข์ของกิเลสมาเป็นของกู แต่พอเรามีสติรู้เราไม่เราไม่แบกแล้วเราไม่เราไม่นั่นแล้วเราไม่เหมาให้เหนื่อยเปล่าๆแล้วเราวางเราคืนคืนให้เจ้าของเดิมคืนให้เจ้าของเดิมคืนความทุกข์ให้รูปและนามไปหรือคืนความทุกข์ให้ธรรมชาติไปจะคืนความทุกข์ให้กิเลสไปก็ได้นะเ น, นี้ยมันให้การที่เรามีมีสตินะรู้นะ มันก็ช่วยทําให้กิเลสมันเบามันดับไปบางคนก็จะถามว่าเอ้ยทำไมโกรธแล้วทาไมยงังทั้งที่รู้ว่าโกรธทําไมยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ดับนะอันนั้นเพราะมันยังไม่ใช่สติที่กล้าแข็งคือสติมันเกิดขึ้นมาแว บ, บเดียวแต่มันไม่สติที่ตั้งมั่นพอรู้ว่าโกรธปุ๊บมันมีความรู้สึกเจือปนอยู่ลึกๆว่าอยากจะให้ความโกรธ ด, ดับไปให้ความโกรธหายไปหรือเกิดความโกรธเกิดโทสะต่อความโกรธ สังเกตไหมมันเกิดโทสะต่อความโกรธมันเกิดโทสะต่อความหงุดหงิดเวลางูเกิดเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจความหงุดหงิดแล้วเกิดความโกรธเกิดขึ้นไม่พอใจความโกรธนะมันโกรธซ้อนโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโกรธมันจะหายไปได้ยังไงในเมื่อสติที่เรามีมันเป็นสติที่ไม่ใช่บริสุทธิ์ล้วนๆแต่มันเจือไปด้วยความโกรธนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยเกิดปัญหาที่ว่า โกรธแล้วโกรธแล้วทำไมยังรู้ตัวแต่เธอยังไ ม, ไม่ไม่หายโกรธนะเพราะมันไม่ใช่เป็นสติที่บริสุทธิ์นะมันเจอได้โทสะต่อความโกรธนั้นๆก็เท่ากับเติมหรือโยนศาสตร์น้ํามันเข้ากรองไฟแล้วมันจะหายไปได้ยังไงแต่ถ้าเกิดเรามีสติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนะที่ทําให้จิตตั้งมัน่นะจิตตั้งมั่นก็ไม่ถลําเข้าไปนะหรือว่า ไม่ไปไม่ไปปรุงให้ความโกรธเกิดขึ้นเพราะไม่มีไม่มีโทสะเจือปนอยู่นะมันก็ก็จะดับได้ง่ายนะหรือว่าผู้อย่างคือมันจะมันดับแล้วมันไม่เกิดขึ้นมาอาอเรก็พูดกันเท่านี้กลับพระพร้อมกัน